ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องบุริยบารมีต่อไปบุริยบารมีข้อต่อไปนั้นก็คือเขาเรียกอนุรักษณาประทานเปลี่ยนพยายามรักษาสิ่งดีงามต่างๆที่ตนมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ให้คงความดีระดับนั้นเอาไว้ แต่อย่าลืมว่าเรามีสองข้อนะมีภาวนาคือเพิ่มความดีในสุดได้เท่าไรก็รักษาไว้เท่านั้นก็ทานองคล้ายๆกับเรานำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็รักษาน้ำตรงนั้นไม่รั่วมไม่ไหลไม่ซึมไปในที่ต่างๆปริมาณน้ำก็จะรักษาไว้ได้แต่ต้องเพิ่มเรื่อยอไรเพราะน้ำมันก็ถูกแผดเผาแล้วก็ระเคย แล้วก็สูบน้ําเข้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งในสถานที่เหล่า น, นั้นก็เต็มด้วยความดีแล้วก็หมายความว่าความชั่วมันก็หมดไปแต่นั้นก็เป็นเรื่องไกลนะเรื่องไกลว่าทำอย่างไงว่าเอาขนาดว่ารักษาคุณธรรมความดีเช่นก็นึกถึงในเพลงชาตินะครในเพลงชาติเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปถึงต้นรัตนโกสินทร์เอาขนาดต้นรัตนโกสินทร์เนี่ย คือจะเห็นว่าเจนามีการสืบเนื่องกันมาในสายของความคิดเนี่ยพระเจ้าตักสินได้ทรงนิพนเอาไว้ว่าคิดถึง พ, พ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กสัตราศาสัตดากับไว้คู่กันก็พยายามที่จะย้ำเตือนให้คนตระหนักถึงความเป็นสถาบัน สถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันประมากษาัตริย์ต้องผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อิงอาศัยกันทิ้งกันไม่ได้แต่ว่าทำยังไงล่ะพอมาถึงประบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ตั้งขึ้นเป็นรูปของปณิธานตั้งใจจุปธรรมพกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรี คือหมายความให้ความสำคัญแก่ธรรมะคือการจะยกยกพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยคือตัวาศาสนธรรมคือตัวคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกนั่นเองเพวเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นาศาสนบุคคลนี่เปลี่ยนแปลงได้ไปเข้ารีดนะับถือาศาสนาอื่นได้แต่ว่าสาศาสนธรรมเขาไม่เปลี่ยน ว่าเนื้อแท้จริงๆก็คือตัวาศาสนาธรรมเราเห็นว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนการฝระพตปฏิบัติการเผยแผ่การฝึกอบรมต่างๆในทุกลำดับชั้นแก้ไขปัญหาเยอะระยะรัชการนานนยี่สิบกว่าปีเขาทำอะไรได้เยอะซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีงามที่มันมีอยู่อย่าในโครงนิราศนิินบทแรก บทแรกเนี่ยมันแสดงอะไรเหมือนกันมันสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมยุคโรงนั้นแล้วก็สืบต่อมาจากพระปณิธานของทั้งสองพระองค์มันก็ออกมาในรูปของว่าบุญเพลงพระหากสั ร, รสยศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอระบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองหมายความว่าระบบการนำสาสตว์ศาสนานี่คือต้อง ปิดประตูทางเสือไม่ได้เปิดประตูทางเจริญให้ได้ด้วยอะไรโดยพัฒนาคนพัฒนาคนให้คนเติบโตในด้านจิตวิญญาณเติบโตในด้านวิชาการแล้วก็เติบโตในด้านพัฒนาการด้านต่างๆมีความทักษะมีความชํานิชํานาญในสายใดสายหนึ่งหรือหลายๆสายนะ่ะเอาเจ้าก็ให้ได้สายสายหนึ่งก่อนก็ได้ ถึงก็หมายความว่าเป็นภารกิจตรงเนี้มันก็วิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าในยุคสมัยใดก็ตามถ้าเอาพระจักรกเรามีคุณภาพเป็นอนันเดียวกันเดียวกันมาแล้วก็มีจุดยึเดเหนี่ยวร่วมกันงานใหญ่จะกลายเป็นงานเล็กงานเล็กจะกลายเป็นงานจิ๊บจ้อยทันทีเลยจะมีความหมายอะไมันก็เหมือนกับเอาอะไระก้านบัวไปตีภูเขาเนี่ไม่หวั่นไหวอะไร แล้วก็สืบต่อกันมาเรื่ยพยายามที่จะปนึกให้เห็นเึงคุณค่าของาศาสนาคุณค่าของความดีงามจนมาถึงราชการที่หกราชการที่หกก็เอาสิ่งที่พระเจ้าตากสินส่ ง, งแสดงไว้นั่นเองมาประหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของรงใจรลวงกอความตรงนี้ที่ว่าขอพรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามขนัด ขาคือบริสุทธิ์สีสวัสด์ไม้พระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใยซึ่งยอมสละได้ไปรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะไว้เป็นของส่วนองค์จักริวก็เป็นไตรรงเป็นสีแห่งธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารวานวตารนําไปยงยุบิชัยวิชิตกุจูเกียรติสยามเห็นไห้เมืม่อก็อขึน้นมาก็กลายเป็นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน และศาสนานั้นจะเป็นสิ่งที่แทรกซึมนะแล้วก็เชื่อมโยงเพราะฉะนั้นก็เอาสีขาไว้ตรงกลางเอาชาติเนี่ยก็ไว้ตรงท้างด้านทั้งสองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่พิทักษารักษานะปกป้องคุ้มครองแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวในด้านชาติศาสนาก็อยู่ตรงกลางแต่ว่าแถบเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เท่ากันแถบนี้เท่ากัน แต่สีํำเงินก็มีอยู่จุดเดียวเป็นจุดศูนย์รวมในด้านจิตใจของคนภายในชาติทำไมล่ะเพราะภายในชาติมันไม่มีศาสนาเดียวแล้วก็ไม่เคมีเผ่าพันธ์เดียวนะในประเทศเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาศาสนาเป็นจุดที่เหนียวอย่างเดียวมันก็จะแตกแยกกันทางศาสนาชาติเป็นจุดที่เหนียวอย่างเดียวคนต่างชาติเขาก็ไม่เล่นด้วยกับเรา มันก็เอาภาษาสายภาษาบาลประมากษัตริย์ขึ้นมาก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวแต่แน่นอนว่าต้องยึดเหนี่ยวชาติยึดเหนี่ยวศาสนายึดเหนี่ยวชา ต, ชาติบ้านเมืองของเราด้วยแล้วยึดเหนี่ยวศาสนาที่ตนนับถือเพราะว่าคนที่มีศาสนาดูในหวัวใจไม่ได้แปลกอะไรเลยเดี๋ยวมาคุนกับนักวิจ า, กการณ์ในศาสนาสลามกับศาสนาคริสตน์นี่หลายท่านด้วยกัน แม้ในสมัยที่เราเขียนหนังสือเรื่องแผนทำลายพระพุทธศาสนาศาสน า, าภายัยเรื่องเยอะนะฮะตอน25 26 27เนี่ยก็ทํากันมานานแต่เราก็คุยก็ติดต่อก็พบปะก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันบางครั้งท่านก็มาเยี่ยมกันทั้งหลายหลายคนน ะ, ะมาก็นั่งคุยเรื่องหลักการเรื่องศาสนาทั้งหลายเนี่ยถ้าระดับวิชาการแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแนตะ่ติดต่อกันง่ายแล้วเข้าใจกันง่ายเพราะจริงๆริงเนี่ย ถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่าทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากเกินไปอย่าทำตัวป เ, าาเปนะ็นเจ้าของอย่าเจ้าข้าเจ้าของมากเกินไปอย่าลืมนะครัเราพุทธเจ้าเป็นโลกกันนาเป็นติพื้นของโลกเป็นโลกกันน า, นนกนกกนนายกเป็นผู้นําของชาวโลกและเป็นโลกกเชิดเป็นพี่โตพี่พี่คนโตของชาวโลกเพรา ะ, ะโดยความรู้สึกเราก็เป็นมิตรกับทุกศาสนาอาว่าสืบสารศาสนาคือมีศาสนาอยู่ในหัวใจด้วยกันคุณเป็นใครไม่สาคัญแหะแต่วสิ่งนั้นคือธรรมะภายในหัวใจ แต่ว่าปัญหาใหญ่ในทางศาสนาในองค์รวมของความเป็นศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะทํายากมันกลายเป็นโบราณในท่านพูดว่าทิฏฐิพระมานะเจ้านะมันแก้ไขา ย, ยากเพราะไปคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองถูกอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่ระดับศีลธรรมจัร ญ, ญานะไม่ค่อยมีปัญหาเราเรื่องศาสนานแต่เราพยายามทําความเข้าใจกันให้ได้ว่าเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยนะคุณเรียกอย่างนี้เราก็เรียกอย่างนี้ แต่ว่าที่นี้ในลักษณะอย่างหนึ่งที่ความเป็นองค์กรความเป็นสถาบันความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่สมควรเนี่ยนะ ค, คือหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงพระเยซูเราก็โค้ดข้อความของท่านมาแล้วก็บอกว่าท่านแสดงว่าอย่างเนี้ยเราพูดถึงคำพี่อันกุรานเราก็ยกมานะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านกล่าวว่าอย่างงี้าราะว่าเทียบดูที่ตรงกันหรอแมจะเห็นว่าระดับสิ่งธรรมจัญญาเนี่ยก็ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสีท่าเนี่ยสีท่าเนี่ยก็ตรงกันหมด เพียงแต่ว่าจะเรียงยังไงค่ะจะสลับยังไงก็ถามหรือแม้แต่กุศซนก็บทสิบกุศซก็บทสิบเนี่ยไปลองดูเธอก็เมืองกันหน้าที่สามีปัญญาเรื่องที่ถกเนี่ยให้าศาสนาคณิศสอนก็ก็สอนอย่างนั้นแหละมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่นายสราญสอนมันก็สอนโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละจะทํำยังไงอ่ะสามีปัญญาให้ทะเลาะกันเลยไม่รู้ว่าดูมิตนกันเห็นไหมมันตรงกันข้ามไม่ได้สามีปัญญาก็ต้องให้เกียรติดยกย่องกัน ต้องมีความรักใคร่กันต้องมีความสุจริตใจต่อกันต้องมีความรับผิดชอบอะเนยนั่นก็คือเรื่องอาถรรมะแต่ปัญหาเรารักษาได้หรือไม่ประเด็นที่น่าจะมองก็คือเรื่องประเด็นในตชาติเราอย่าลืมนะว่าบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเหมือปิดประตูทางเสื่อมเปิดปตูทางเจริญโดยฝึกจิตใจของประชาชนแล้วก็กลายเป็น ความเจริญก้าวหน้าในด้านศาสนาต่างๆแต่ก็มักจะเล่นในรูปวัตถุนะคือเน้นเน้นเรื่องวัตถุกันมากเกินไปแต่ที่จะเน้นวยความเปลี่ยนแปลงนั้นจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพราะอะไเพราะวัตถุมันดีมันเด่นมันดังนะตัวเองตายไปแล้วก็ลูกหลานก็มาอ้างมาโม้ได้นะว่าเป็นพอ่องธรรมปู่เขามันแล้วแนวสังคมนะดีนะเปนสืสารกัน วัดนั้นตระกูลนั้นก็สร้างมาลูกหลานเขก็ต้องรับผิดชอบสืบต่อกันไปแต่ว่าในด้านเนื้อหาของศาสนาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านจิต บ, บิญญาเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นเาจะทํายังไงจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้มากล่ะดังในเอกลักษณ์ไม่ใช่ในที่จริงเราเคยเรียกเอกลักษณ์นะในธงในเพลงชาติที่แสดงคุณลักษณะของคนไทยเอาไว้สี่ประการเนี่ยนะ อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามาคัคคีไทยนั้นรักสงบจึงจะรบไม่ขาดเอกราจจะไม่ให้ใครค่มขี่สละเลือดทุกอย่างเป็นชาติปเปรตนะเถลิงประเทศเจ้าไทยทวีมิชัยเฉโยกก็คืออะไรก็คือรักความสงบโดยพื้นฐานในรักความสงบเป็นลักษณะ น, นิสยัยแล้วก็สังคมเนี่ยควรจะรักความสงบกันก็ อ, อยู่ก็ด้วยความสงบ แต่ว่าสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่ไม่ค่อยสงบเป็นสังคมที่วุ่นวายเจ้าเจ้าแล้วก็มีปัญหาสารพัดได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนมากแหละมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นหรือพอคนมากขึ้นมาเนี่ยคนจะนึกถึงตัวเองเลองสังเกตนะจะเดินจะทําอะไรโดยไม่ไปมองสนใจคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าต้องเอาตัวรอดได้ไดไดลักษณะดโดยธรรมชาติทีนี้ ไอความรักสงบมัเลยก็จางไปปรจางไปไอปัญหาวุ่นวายต่างๆที่ไม่น่าจะเกิดเนี่ยนะยกยกตัว อ, อย่างเช่นว่าพวกที่ก่อกวนสร้างความไม่สงบเป็นนันมากเนี่ยเพราะว่าจิตใจแก่ไม่สงบแล้วแก ก, ก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาในลักษณะนั้นๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวาวันนี้เพราะในพื้นฐานตรงนี้มันก็เสียที่จริงตัวเนี้คือคุณธรรมที่รักษาความสงบ ไม่ดึงปัญหาเข้ามาหาตัวเองและเมื่อปัญหามาถึงตัวเองก็พยายามที่จะลดความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียสละการเสียสละที่กระจายออกไปเรื่อยๆนะจนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินคือยังนึกนะฮะยังนึกว่า จริงก็มาทับถามบ่อยทีจ่จะให้ไปพูดในที่สําคัญทําคัญที่มีขา้าราชการมีผู้บริหารสูงๆก็อยู่เนี่ยแลผลท้ายก็ไม่กล้าไม่กล้านิมนต์ไปก็ทํานองคล้า ย, า ย, ายๆก็เราจะพูดจริงมากไปนะะแต่ว่าถ้าไปแล้วก็เอาจริงๆ น, นะะพรับโอกาสที่จะพูดคนเหล่านี้มันพูดน้อยเนะคื อ, อยังนึกว่าคนระดับตรงนี้แล้วนะคือขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วประชาชนมันมาจากประชาชนนายกรนายข อ, อยู่เมื่อวานเนี่ย ประชาชนเลือกตั้งปั๊บผ่านปุ๊บเป็นสอวอสอสอปุ๊บกันทีเลยแล้วก็ประชาชนก็ส่งขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่งได้รับอารมณ์ราชโองกา ร, ปกราโปรดเกล้าโปรกระมองแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกเป็นรัฐมนตรีอะไรอูออ้มันสูงส่งแล้วนะ่ะเขาให้เราเยอะเป็ดเบื่อเกินนะเราเป็นใครอะ่ะเราก็เดินตอกตอกเทไวไห้ก็เมื่อวานซืนเนี่ย แล้วก็โตขึ้นมาได้ในจุดเนี้มันน่าจะสํานึกคุณแผ่งดินแล้วก็ทุ่มเทลงไปเพราะว่าระบบราชการเนี่ยที่จริงเนี่ยคือเงินที่เขาให้เนี่ยก็เยอะพอสมคนนะครับก็อยู่เป็นปกติสุขได้เพราะถ้าไปราชการมันก็จ่ายในราชการอยู่แล้วคือไม่น่าจะไปควนจะไปขอรับชั น, ไ ป, นไปกงคิดไม่กินและกินน้อยไปเรียกร้องเงินท้องรอะไรต่ะะรางๆยิ่งเป็นยิ่งรวย แต่บางประเทศเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยเขายิ่งเป็นยิ่งจนนะะ น, นอิธิราคารันทีก็ดีและราจีพันทีก็ดีและเนรูก็ดีเนเนรูรวยมากนะพ่อเนี่ยมาถึงลูกแล้วก็จนลงครอหาดเนี่ยต้องให้แกรัฐบาลเพื่อบริจาคเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประธานาธิบดีราเชนประสาสตเนี่ยก็ให้บ้านพักมาท่านาชั้นเดียวนะให้เป็นที่ให้เป็นของแผ่นดินเลยเนดะ็กเราก็ประทับใจนะ ก็ใจว่าเออคนเราเนี่ยเขาเสียสละทำงานเพื่อชาติเศาสนาจริงๆศาสนาให้อะไรแกเรามากแล้วชาติให้อะไรแกเรามากแล้วก็ให้คืนกับชาติสับ้างเถอะให้คืนแกศาสนาสับ้างเถอะแล้วก็พระเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะก็เใจว่าเราได้สถานะจากสังคมเราก็เป็นลูกตาสีตาสาใหญ่มาใหมีาม า, า, มาจากมาจากทุกลีดินได้ก็เติบโตขึ้นมา ชาวบ้านก็ยกย่องให้สถานะให้ความเคารพนับถือธนุบำรุงด้วยปัจจัยสีเราก็ต้องตอบแทนคุณพระาศาสนาตอบแทนคุณของชาวบ้านอ่าโดยการพยายามทำงานต่างๆนะที่มันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนองทำงานด้วยความเสียสละไม่ใช่ไปคิดว่าเขาจะให้อะไร หรือว่าคิดว่าเราจะได้อะไรหรืวเขาจะให้อะไรเราเราจะได้อะไรจากเขามันไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะคือการทํางานนั้นต้องทำํำบนพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําหนึ่งและสมเด็จรามหน้าเจ้าทรงแปลออกมาว่ามันไพเราะมากประสงสงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ําใจที่งดงามจะสงเคราะห์ใครสงเคราะห์ด้วยเรื่องอะไรสงเคราะห์ อ, อย่างไรทําไมจะต้องสงเคราะห์สงเคราะห์ไปแล้วเกิดประโยชน์อะไร และเราก็ส่งเคราะห์ไปตามกำลังความสามารถที่เราจะส่งเคราะห์ในแวดวงตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่เชื่อมโยงใจคนเข้าด้วยกันแต่และควายต่างก็เสียสละจะเราต้องเสียสละอารมณ์เสียสละเงินทองเสียสละความรู้ความสามารถเสียสละเวลาเนี่ยมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกางานสร้างสารรค์พัฒนา เป็นทีก็คือคืออะไรก็คือปริจจ่าขะในทศพิทราชธรรมหรือทานนะหรือฐานหรือจาะนะ่าขะเนี่ยคําเสียสระนั้นมันเสียสละแบบมูไปไก่มาเสียเยอะเลยแม่ราชการเนี่ยเราจะเห็นว่าราชการอะไรก็ต้องเบียดเลี้ยงเบียดเลี้ยงเบียเลี้ยงไม่มีเบียดเลี้ยงก็ทำไม่ได้แล้วคือถ้าสํานึกอาตมาอย่างประทับใจคําพูดของทหารกดหนึ่งมันมั น, มนพูดรื้อสั้นๆเนี่ยนะฮะรื้สันส้น มีชาวบ้านเขาประสบปัญหาแล้วเขาก็ไปช่วยอ่ะฐานดูรู้เรีย่ยแถวประจวบแล้วก็ช่วยชาวบ้านเขาโอ้ดีใจมากเขาก็ให้รางวัลเขาก็ตะแบะเลยนะฮะขอบคุณครับว่าที่ผมทํางานเนี่ยก็กินเงินเดือนก็พกคุณอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ผมหรอกแหมเราซึ้งมากเลยได้ยินคนพูดอย่างนี้ซึ้งมากเลยก็ไม่ได้จดชื่อไว้มันอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นข่าวเล็กๆ แล้วก็เจ้าของเงินเนี่ย เ, ย เ, ยเขาเป็นคนเล่าสมภากรกำลังสือผิงนั่นคือสมนตกคุณแผ่นดิน เ, นเราก็เสียสลายแผ่นดินคือสรุปว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาอาศัยเขาสารพัดที่จะอาศัยทุกวันเนี่ยเราอาศัยคนอื่นยเยอะเลยเจชายกันบ้างนะเจะชายแกแผ่นดินบ้างาลองสังเกตว่าคนทางานทุ่มเทด้วยความเสียสละมาเพื่ออ่านหนังสือเจอนะว่า คุณประโมดไม้กรดเนี่ยก็ชื่นชมเขาเอามาก็เคยสอนหนังสือเขาที่วพอสมัยก็เรียนวพอแล้วก็ดีใจนะฮะเจอกันวันก่อนก็บอกว่าให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ต้องประสงค์ก็ไปเจอกันในงานที่เขาไปรับอะไรซันอะไรเนี้ยเรียนอะไรเนี้ย คือ เ, เห็นว่าเอเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้จักและคนประมวัติเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าภาพของเขาเนี่ยปรากฏใกล้ขีดใกล้ชิดวัยคนบาตรอตลอดติเกียวกับเรื่องน้ําไในน้ําที่ไหนประมวัอยู่ตรงนั้นเนี่ยภาพเหล่านี้ยมันติดตาของคนไปดูอินทรพิรมโอโหเรานึกว่าสักสองแสนนะตั้งสามแสนกว่าเกือบสี่แสนนะคะแนนเนี่ย น, นั่นคือคะแนนมหาชนมันมาจากอะไรมันมาจากความเสียสละและเสียสละจริงด้วยนะเสียสละจริงด้วย ทำงานทุ่นเทอยู่กับสนองงานของประบาาต้นเดชไปจ้าอยู่หัวอยู่นี้คิดว่าหลายปีนะพราะเราเห็นภาพก็มานานแนละ้วเห็นภาพก็ปรากฏตั้งแต่นุมน่มๆมานั่นคือตัวอย่างที่เจ๊เห็นว่าถ้าเราให้อะไรเราสํานึกคุณแผ่นดินทํางานหรือความสุจริตไม่ได้คิดอะไม่ได้คิดว่าจะหวังพึ่งอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นที่จริงแนวตัวนี้มันเห็นอะไรหลายๆอย่าง แต่เรามองในแง่ธรรมะในแง่กระบวนการของกรรมแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่เสียสละเพื่อสังคมทํางานเพื่อสังคมมามากเนี่ยสังคมรู้สึกเป็นหนี้ถึงคราวหนึ่งเขาก็ต้องชดใช้ให้เอาเช่นคุณดารงพุทธาเนี่ยเขาก็ทํางานที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมานานแล้วก็เป็นอิสลามที่เคร่งครัดคะแนนก็รองลงมาเอ า, อาจารย์เตรียมศักดิ์ปินทองเนี่ยก็ทํางานเพื่อสาธารณะมานาน ก็เกี่ยวกับสื่อสารเนี่ยเขี่ยนกับสื่อสารทั้งวิชาการบางทั้งวิทยุบางโทรทัศน์บางทำอะไรแต่ไหนเมื่อเราเห็นอะไรได้นะถ้าเรามองตรงนี้มองกับด้วยความเข้าใจและอยากไปสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทุจริตเราจะเห็นว่าผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบอันนี้เป็นความจริง บุคคลบางคนแน่นอนว่ามันมีข่าวออกมาในทางพระมัวแต่ว่าคนที่รู้จักเนี่ยก็เห็นความดีของเขัคือยังชอบใจถึงลูกสิษ์ของพระกลุ่มหนึง่งแกพูดบอกว่าอาจารย์ผมนั่งกันอยู่เนี่ยผมไม่ได้กลิ่นเหม็นแต่ว่าคนมาจากไหนไม่รู้มาชี้ว่าอาจารย์ของผมนี่เหม็นก็ผมนั่งอยู่ผมอยู่กับท่านมาเนี่ยแล้วจะให้ผมคิดยังไง อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดว่ามันไม่ใช่ใช่คนไกลตัดสินคือคนที่ไปตัดสินที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วคนเนี่ยเขาต้องสัมผัสเขต้องสัมผัสว่าคนนั้นจริงๆเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่ใครว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นอย่างไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้บางเรื่องเนี่ยมันในความรู้สึกของคนบางพวกที่ฟังข่าวเนี่ยอาจจะพลามัว อาจจะเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่เราอย่าลืมว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์คนก็ต้องเห็นความดีของเขาแล้วก็ต้องยอ ม, มนะฮะนั่นอย่าไปมองในแนวริษยาในแนวแข่งดีเมื่อเขามาในกระบวนการที่ถูกต้องเนะ่ยเราก็ต้องยอมรับความดีตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือนะเคยกลายกลายเป็นเครื่องมือที่กะตุน้นเตือนเราว่าถ้าเราทางานด้วยเสียสละเราชดใช้ เราให้แล้วเราก็ได้รับแต่ว่าพื้นฐานจิตของคนเนี่ยสำคัญติโรกันนี้เขาว่าไว้เนี่ยให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนัท่านท่านจะปองนอกไปรักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เป็นไวแต่ผู้ทรชนนั่นคือปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าคนนั้นมีความดีพอหรือเปล่า มีความสำนึกคืนมีอุปการะมีปฏิการะหรือไม่นะไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยต้องต้องต้องรักษาไม่งั้นสังคมมันไปไม่รอดหรอกเพราะว่าคนร้อยโอกาสนี่มีเยอะคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่รู้ความยากร้ายโรคภยัยไข้เจ็บตลอดถึงมีลูกมากแล้วเกิดยากจนขึ้นมาแล้วก็มีขาวอยู่ทุกวันตรงเนี้ยจําเป็นที่จะต้องมีการเสียสละแล้วคนเราท่านเองก็ต้องพูดจากันให้เข้าใจอ่นะ คือเธอต้องขยันเธอต้องไม่ติดยาเสพติดเธอต้องไม่เล่นการพนันแล้วคนอื่นช่วยเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะอย่างที่ศาสนาคิดว่าพระเจ้าจะช่วยเจ้าเมื่อเจ้าช่วยตัวเองเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเจ้านั่นคือหลักการสำคัญมันก็คือคือกระบวนการของกรรมเพราะะน้ ร, ะนรักสงบ ก, กับเสียสละนั้นเป็นฐานจิตเป็นฐานที่เราสัมพันธ์กับสังคม เราเองไม่สร้างปัญหาเกิดสังคมในขณะเดียวกันเราก็คือกูณสังคมด้วยความเสียสละเป็นคำสอนเป็นที่จริงมันเป็นการสืบสารนะฮะเป็นลักษณะ น, นิสัยของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและท่านก็มาบรรจุไว้ในเพลงชาติแต่เราก็สวดเราก็ร้องเพลงกันอยู่ไปจำมานะฮะแต่ว่าไม่นำไปสู่พักปฏิบัติเท่าที่ควรท่า น, นเด็ก้องฟังเทางา่าไหร่ ในวระพุทธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทนายดยั่วกันสวัสดี